ดินน้ำไฟลมภายในคือพยาคิตราดไปเที่ยวไปเที่ยวหลงเขาไปเที่ยวฟ้องเขาฟ้องไปฟ้องมาตนก็ติดคุกสิงอื่นเขามาได้ฟ้องอะไรเลยตาหูจมูงเลีนยกายเขาก็มาได้ฟ้องและเขาก็มายืนยันว่าเขาเป็นตาหูจมูกลจมูกเลี้ยกายอีกด้วยดินภายนอกกงง็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ว่า เป็นของพยายคิตราดแต่พยายคิตราดไม่รู้เท่าปัญหาของตนก็เป็นเปรตเท่าตนอยู่เป็นเปรตเท่าปัญหาของตนแก้ปัญหาของตนไม่ตกทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่รับปัญหาด้วยเขาไม่ได้แก้ด้วยตาหูจมูกเล่นกายเขาก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะนั้เขาก็ไม่ได้ถือว่าเขาหนักปัญหาอื หนักก็พญาคิตราดเป็นผู้หนักเบาก็พญาคิตราชเป็นผู้เบาดีก็พญาคิตราดเป็นผู้ว่าดีชั่วก็เป็นผู้คนชั่วตนก็ไข่ตนก็กระตากระตากตนก็จินปูนตนก็ออกร่อนทองใครมาสร้างปัญหาใส่ก็พญาคิตราดเท่านั้นสร้างปัญหาดินหน้าไฟลมทางนอกเขาก็มาด้สร้างปัญหาเนย เนี่ยเขาก็ไม่สําคัญว่าเขาเป็นดินด้วยเขาก็ไม่สําคัญว่าเขาเป็นน้าด้วยเขาก็ไม่สําคัญว่าเขาเป็นไฟเป็นรงด้วยแต่พระญาจิตราชไปเที่ยวใส่ชื่อเรือนามให้เขาแล้วก็มาหลงปัญหาของตนใช่หรือไม่พูดมากมันก็มากออกไปกากไก่พูดน้อยมันก็น้อยมาหายไก่ถ้าไม่หลงใจก็ไม่มีสิ่งที่หลงถ้ายึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจสิ่งอื่นๆก็ไปยึดถือหมด เขาไม่ได้ยึดถือว่าเขาเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเขาไม่ได้ยึดถือว่าเขาเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายไอ้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญยึดถือว่าเป็นใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจเขาไม่ได้รับทุกข์รับทุกข์ด้วยเขาไม่ได้วางเฉยด้วยพญาจิตตราชเป็นนายหน้าของข้าเป็นหัวหน้าข้า จงพาข้าทำบุญให้ทานเถิดเขาก็มาได้ว่าจงพาข้าทำผิดเถิดจึงพาข้าทำถูกเถิดจึงพาข้าวางเฉยเถิดเขาก็มาได้ว่านี่เป็นข้อสําคัญมากว่ามากก็มากออกจากพระยากิตตราชผู้ดใดใครเพื่อนันกระจากเพื่อนวานนี่ภาษาภาคอีสานตัวห้องใครตัวห้องกระจากตัวห้องไปฟอ ง, ของเขาตัวห้องติตล่าพก ภาคกลางฟังออกไหมตนไปฟ้องเขาตนหาดติดคุกมันเที่ยฟ้องเขาอย่างนั้นฟ้องเขาอย่างนี้บัญญัติเขาอย่างนั้นบัญญัติเขาอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ยินี่ไม่รับไม่ปัดเลยถูกไหมบัญญัติให้เขา่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาก็ไม่บัญญัติเขาก็ไม่รับไม่ปัดอีกบัญญัติอดีตอนาคตปัจจุบันเขาก็ไม่รับไม่ปัดอีกสมมุติก็จริงตามสมมุติไม่มมติก็จริงตามไมุสติ ใครเป็นเจ้าของสมมุติใครเป็นเจ้าของสมมติใครเป็นเจ้าของอดีตใครเป็นเจ้าของอนาคตใครเป็นเจ้าของปัจจุบันใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังพูดแล้วก็ล่วงไปใช่ไหมฟังแล้วก็ล่วงไปใช่ไหมนี่คืออันนิดยังอันละเอียดใช่ไหมสําคัญว่าโง่ฉันคัญว่าสะาดสําคัญว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พยายาคิดตราดเท่านั้นจิตใจถ้าไม่มีจิตใจก็ไม่เห็นเขายุ่งอะไร ขี้ดินล้วนๆไปขี้ใส่เขาก็ไม่ว่านะไฟล้วนๆไปขี้ใส่เขาก็ไม่ว่าไอตัวนี้มึงไม่รู้จักกูหรือถ้ า, ถาเขาทําให้ถูกกับกิเลดถูกไหมศีลก็คือตัดศีลลงที่พยาคิตราชสมาธิตั้งมั่นลงในพยาคิตราชปัญญารอบรู้ในพยาคิตราชเมื่อรอบรู้ในพยาคิตราชแล้วสิ่งอื่นๆก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ย ทำโชคแห้เกิดก็พยายคิตราชทำคุณให้เกิดก็พยายคิตราชมีเรื่องแต่ผู้เดียวเขาไม่ได้มามีเรื่องด้วยจื่ออื่นเขาไม่ได้มีเรื่องเหตุนั้นสติปัฏฐานสี่พระองค์จึ ง, งยืนยันว่าพิกขนากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็จักว่ากายไม่ใช่สัต์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุพัสนาเท่านั้นจงจบลงเพียงนั้น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 หรืออคติที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี่ก็สัตว์ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัสสนาเท่านั้นอย่าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลถืดพระปรมาสสาาบอกให้ย่นมาพิจารณาอย่างนั้นโดยใจความก็พิจารณากายลงสู่อนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่กายของใครเป็นแต่สักว่าดินน้ำไฟลม พิจรณาเวทนาสุขทุกเบี้ยวขาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนก็เป็นแต่สักว่าเวทนาพิจารนาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วก็เป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะไปยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจถ้าใครมายึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจใจผู้นั้นก็ไม่มีพิษกิเลสก็แตกก็เจงไปณนะที่นั้นเองถ้ามายึดถือว่าผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ ความสำคัญในผู้รู้ก็ไม่มีพิษถ้าใจไม่หลงใจในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาหลงเลยเรื่องใจหลงใจนั่นเองมันลำบากอยู่เดียวนี่อย่าไปโทษอันอื่นใจหลงใจต่างหากใจที่โง่ก็หลงใจใจที่ฉลาดแล้วก็ไม่หลงใจ นอกจากใจก็ไม่มีอนไรจะรู้เท่าใจและก็ไม่ไม่มีอะไรจะข้ามใจไปได้และก็ไม่มีอันไรจะปล่อยวางใจได้นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะยึดถือใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไนจะรู้เท่าใจอีกด้วยนั่นก็อันเก่านั่นเองถ้าไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให้ตัวนึกว่าโคขนสวมหัวให้ตัวนว่าใจ e ใจใจใจถ้ายึดถ okay. ือใจว่าเป็นเราเป็นเขา เป็นสัตว์เป็นมกลก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ที่ดินฝ้าอากาศ น, นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะรู้ทางนั้นจึงจะถูกกับคําว่าโอปัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจปัจจังจักนั่งผู้นั่งบรรลังอยู่ที่ใจจะเห็นแยกในเพราะใจเป็นบรรลังอากาศเลโก ที่สมมติว่าใจใจก็มีอยู่ทุกการทุกเวลา e ico, เอฮิปติโกรื่องเรียกให้มาดูได้ก็รื่องเรียกใจใั่นมาดูใจรื่องเรียกอันอื่นมันก็ไม่ไม่เห็นนั่นรืองเรียกตาหัวจมูกเลี้ยงกายมันก็ไม่มาคนตายไปรืองเรียกดูดูมันมาไหมมันก็ไม่มาเพราะใจไม่อยู่ที่นั้นรืองเรียกก็รืองเรียกใจให้มาดูรืองเรียกใจให้มาดูใจ พระพูธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ถือพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ทําไมจึงเคารพพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพูดพระธรรมพระสงฆ์มีใจฉลาดกว่าใจของเราใจของท่านไม่มีกิเลสใจของเรามีกิเลสก็ยอมเคารพใจพระพูดพระธรรมพระสงฆ์สินั่นที่สมมุติว่าเราเรามันมีกิเลสใจพระพูดพระธรรมพระสงฆ์แท้ม่มีกิเลสพุทธธรรมสงฆ์แท้ก็หมายสุปฏิปันโนอุยะยะสามีไปเป็นลําดับไม่ใช่ใช่หมายเอา พ, พระพุทธธรรมพไม่ใช่ไม่ใช่ไมายเอาพระอริยสงฆ์ไม่ใช่หมายเอาพระสงฆ์งที่สมมุติหมายเอาพระโสดาบันสักทาคามีนาคามีพระอรหันต์พระอรหันต์เรียนจบพระสงฆ์แล้วบริบูรณ์แล้วพระสงฆ์เบืงต้นก็คือสุปัจปนโนนี่พูดในทางปรมัตมัดเข้ามาหากายวายกายใจถ้าพูดในทางสูตรก็สูตรของกายสูตรของวายกายสูตรของใจ ถ้าพูดนะพระเวไนก็วไนกายเวินัยวาจาวินัยใจถ้าพูดปรามัตดก็มัดเข้าที่กายวาจาใจถ้าพูดเป็นหนึ่งก็พระเวไนใจพระเวินัยกายพระสูตรใจพระประมัตดใจก็มัดเข้าหาใจถ้าพูดเป็นหนึ่งใจมีเรื่องมากจนครบแปดหมืนสีพระธรรมขันธ์ก็ออกไปจากใจทั้งนั้นผู้เทศก็เทศใจผู้ฟังก็ฟังใจ ผู้ไม่มีหัวใจก็เทศไม่ได้ผู้ไม่มีใจก็ฟังไม่เป็นคนตายไม่ได้ยินอะไรเลยนั่นสังาโหลงมาหายใจมีทั้งบุคลาทิศฐานธรรมทิฏฐานอยู่ในตัวด้วยถ้าใจไม่หลงใจจะให้ผีตัวไหนมาหลงถ้าใจไม่รู้เท่าใจจะให้ผีตัวไหนมารู้เท่าใจถ้าใจไม่ปฏิบัติใจจะให้ผีตัวไหนมาปฏิบัติใจ ถ้าใจไม่มีศีลสมาธิปัญญาจะให้ผีตัวไหนมามีถ้าว่าใจมีกิเลสการปัจจัยจะรู้ตัวปฏิบัติมาให้มีกิเลสก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าใจไม่มีกิเลสการปฏิบัติเพื่อรักกิเลสก็ไม่มีถ้าใจไม่มีโรคไม่โกรธไม่หลงถ้าใจยังมีโรคไม่โกรธไม่หลงอยู่จําเป็นก็ต้องมีสติปัญญาเพื่อจะระงับใจถ้าใจเป็นทุกข์จริงๆก็ต้องปฏิบัติเพื่อมาให้เป็นทุกข์ พระตาหูจะมูกเล่นกายหรือดินน้ำไฟลมภายนอกเขาไม่ได้บวนว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์รุ่ยพระนครหลวงใจตาหูจมูกลิ่นกายเขาก็ส่งเมย์มาหาใจไปสัมผัสกับรูป ก, ก็ส่งลงถึงใจส่งก้หไม้ด่วนลงถึงใจส่วนใจก็พิจารณาตามเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงมันก็ขึ้นอยู่กับใจเขามีหน้าที่ส่งเขาก็ส่งสัมผัสให้พระสัมผัสเป็นปัจจัยส่งให้ มีหน้าที่ส่งเมยก็ส่งให้แต่ตายแล้วส่งไม่ไปเพราะไม่มีผู้รับมีตาก็ไม่ได้เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินเพราะพยาจิตตลาดไม่ได้อยู่ที่นั่นถูกไหมจัดสินลงที่ไจตั้งสมาธิตั้งมั่นลงที่ใจตั้งปัญญารอบรู้ในที่ใจมันจึงไม่มีมากถ้ามากก็ให้รู้จักมากอย่าไปลงมากมากก็มากออกจากไกลน้อยก็น้อยลงมาหาใจ ดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจชั่วก็ไปบวกชั่วยอยู่ที่ใจหลงก็ไปบวกหลงอยู่ที่ใจฉลาดก็ไปบวกฉลาดอยู่ที่ใจเมื่อความฉลาดเหนือหลงแล้วหลงก็ไม่มาหลงอะไรหลงหลงใจเป็นตนตนเป็นใจถ้าไม่หลงใจเป็นตนตนเป็นใจแล้วใจก็ว่างอยู่ณนะที่นั่นเองไม่ต้องทำกิริยาให้ว่างเอสวันณโตทุกขสะเป็นที่สุดแห่งกองทุกความโง่งหลงหลง เมื่อความฉลาดเหนือใจไปแล้วความโง่หลงๆก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ข้ามทะเลหลงไปซักข้ามก็ต้องข้ามนี่จะไปข้ามภายนอกขาฉีกตายจะไปข้ามอดีกก็ทำมือยาวๆจะไปข้ามอนาคตก็ก้าวยาวๆอีกก็รู้เท่าทันในปัจจุบันในใจนี่เอง นอกกากใจไม่มีอันใดจะเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตอดีตคืออะไรคือนิทานของใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือนิทานของใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือนิทานของใจที่กำลังเป็นอยู่เดียวนี้ใครพาหัวาะก็คือใจคนตายหัวาะไม่เป็นใจหัวาะใครก็หัวาะใจนั่นเอง เราไ ป, าปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเห็นอยู่ที่ไหนก็ห เ, หนๆๆเห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้หาใช่ไหมเราไปหาความโลภความโกรธความหลงถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้ามันมีถ้ามันไม่มีอยู่ที่ใจมันก็ไม่เห็นใช่ไหมล้วไปหาผีผู้ถือผีผี อ, ผผ อ, อยู่ที่ไหนพระใจเป็นผู้ถือถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ถือใช่ไหมนั่งหาความโง่ เมื่อเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้โง่หาความฉลาดก็ฉลาดอยู่ที่ใจไปหาที่อื่นมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นใครเป็นผู้หาก็ใจเป็นผู้หาถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจอันใดก็เหมือนกันใจมีสติปัญญาสัมปชุดก็ต้องเห็นใจโง่ก็ไม่เห็นหินหาตัว ถ้าไม่ล่วงละเมิดก็มาเป็นศีลตัวเดียวอยู่ที่ใจศีลแปดถ้าไม่ล่วงละเมิดก็มาเป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ที่ใจศีลสิบถ้าไม่ล epoxy, ่วงละเมิดก็เป็นเชือกสิบเกลียวอยู่ที่ใจศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดถ้าไม่ล่วงละเมิดก็มาเป็นสองรอยยสบเอ็ดกลียวอยู่ที่ใจแปดหมืนสีพระธรรมขันธ์ก็ขันธ์เข้าหาที่ใจนี่เองเป็นเชือกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เกลียวมาอยู่ที่ดวงใจเพราใจเป็นผู้บัญญัติขึ้น สมมุติใจเป็นผู้สมมุติขึ้นใจก็คือสมมุติใจก็คือปรมาทิติผู้จะรุดพ้นจากใจก็ใจเท่านั้นผู้ที่จะไม่รุดพ้นจากใจก็ใจเท่านั้นนอกจากใจไม่มีอะไรจะรุดพ่นจากใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะหลงใจตาหูจะหมุนเล่นก็ไม่ได้ว่าหลงนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจเขาฟักเขาเฉือนเนื้อเขาเขาจับลงที่เขียง ถ้าถูกเขียงแล้วก็ใช่ได้ชั้นหนก็ดีก็สับลงที่ใจถ้าถูกใจแล้วก็ถูกช่างเหล็กตีเหล็กจะตีค่อยตีแรงสักเพียงไหนก็ให้ถูกหน้าทั่งถ้าไม่ถูกหน้าทั่งก็ไม่ได้ชั้นในก็ดีจะทาน้อยทามากก็ให้ถูกใจลงที่ใจไม่ใช่ลงที่อื่นทิ้งไ้ทางอื่นมันก็ไปมันก็โค้งมาหาใจ พูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหายใจเพราะใจเป็นผู้ใช้กายวาจาโพูใจใช้ธาตุลมธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมสัมพยุสกันอยู่จึงเป็นเสียงดังถ้าดินน้ําไฟลมไม่สมดุลเสียงมันก็ไม่ออกรถก็เหมือนกันถ้าขาดธาตุดินแล้วหรือขาดธาตุน้ําหรือธาตุไฟอันใดอันหนึ่งมันก็ไปไม่ได้จะบอกให้มัน ไปไปมึงไปไปมันก like. okay. no, ็ไปไม่ได้จะเอาค่อนไปตีบางคนมันมันก็ไปไม่ได้ถ้าขาดธาตุอันใดอันหนึ่งชั้นใดก็ดีร่างกายเหมันกันถ้าขาดขาดธาตุลมแล้วก็นอนตูมเลยเนี่ยนี่ธาตุลมสำคัญกว่าเพื่อนเนี่ยใครเป็นผู้ท่องเที่ยวในวัดตาสองสาร ก็คือใจเท่านั้นใช่ไหมใครเป็นผู้เบื่อหน่ายในวัฏฏะสองสารก็คือใจเท่านั้นวัฏฏะสองสารก็คือใจเบื่อหน่ายความหลงของใจใจต้องเบื่อหน่ายความหลงของตนต้องให้คะแนนความฉลาดตนตนตามสมุติใจตามสมุติถ้าเขียนก็เขียนลงที่ใจถ้าลบก็ลบที่ใจถ้าเขียนก็เขียนลงที่กระดานดำถ้าลบก็ลบที่กระดานกระดานดำ เราไปเรียนหนังสือใครเป็นผู้เรียนก็ใจเป็นผู้เรียนเขียนก็ใจเป็นผู้เขียนท่องบนก็ใจเป็นผู้ท่องบทใช่ไหมจำได้ก็ใจเป็นผู้จำได้ไม่จำได้ก็คือใจเป็นผู้จำได้สอบได้ก็ใจเป็นผู้สอบได้ไม่สอบได้ก็ใจเป็นผู้ไม่สอบได้ก็มาอยู่ผู้คนเดียวเท่านั้นอันเดียวอจะไปทิ้งอันอื่นให้อื่นเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดอีกด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทศอยู่4ี่ห้าพันษาก็เอาใจเทศใช่ไหมคนตายเทศไม่เป็ น, นก็ขยายออกไปจากใจแล้วก็มารวมเข้าก็มารวมไว้ที่ใจอีก้วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านก็ใจเป็นผู้ว่าย้นลงมาเข้าใจเป็นผู้ย่นศีลมีตัวดวีสมาธิมีตัวดวีปัญญามีตัวเดียนอกนั่นเป็นความผิดกระถมเทศนา ยังไม่มีปาราชชกสีทั้งคาทิเศติสามในยุคต้นของพระพุทธศาสนายังไม่มีบัญญัติเลยเพราะพิจนาใจอันเดียรรวมลงที่ใจไตรสิขาหายใจเข้าหายใจออกก็หายออกจากจมูกของเขานั่นเองของเก่ากับของใหม่อันไหนมันดีก็ของเก่าทั้งนั้นดี เขาใหม่ไม่มีผู้พูดอยู่ยอนี่ก็คือเอาใจพูดได้ใจใหม่มาจากประตูไหนที่พวกเรามักชอบพูดว่ากูเสียใจจริงๆก็ไม่รู้ว่าใจไปไหนจึงเสียใจกูดีใจมากก็ไม่รู้อะไรใจมาจากไหนก็ใจอันเก่านั่นเองผู้บ่นก็ผู้บ่นเสียใจก็เอาใจบ่นบอกว่ากูเสียใจไม่รู้ว่าใจเสียไปไหนก็ใครเป็นผู้พูดอยู่นั้นจะเสียไปไหนโอ้กูดีใจจริงๆเขา ไม่รู้อะไรใจใหม่มาจากไหนก็ได้ใจเก่านั่นเองใครเป็นผู้หวัวเราะก็กิเลสเขาเนีน่ยผ่านมาจะมาหัวเราะด้วยก็สังขาร่ะกองทุกข์เราจะมาหาความสุขในโลกมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่พบมันไม่ปะมันไม่เห็นเลยถ้าเห็นความสุขอยู่ในโลกนี้พระอรหัน ก็ไม่ข้ามโลกไปโลกคืออะไรคือใจโลกตาโลกหูโรกจมูกโรกเล่นโลกกายมารวมอยู่ที่โลคใจเห็ตนั้นมณฑสมิงเปรน้ยนบินทติอก็นายใจนายผู้ไปหลงใจก็เป็นตนเป็นตัวทรรมเอสุเปรี้ินบินทัติทำที่มาเป็นคู่กับใจก็นายนายเพราะเหตุใดไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นโมคุลใจก็ส่งคืนให้ใจทำก็ส่งคืนให้ทำ ศูนย์ก็ส่งคืนให้ศูนย์อย่าไปสําคัญตัวอยู่ในสนศีนตนก็ส่งคืนให้ตนสมมติก็ส่งคืนให้สมมติปรมัตตก็ส่งคืนให้ปรมัตต์เนปพานก็ส่งคืนให้พระเนปพาลไม่ไปสอดแท็กยึดถือเอาใดใดทั้งสิ้นอดีตก็ส่งคืนให้อดีตซะอนาคตก็ส่งคืนให้อนาคตซะปัจจุบันก็ส่งคืนให้ปัจจุบ <indo> ันซะอย่าไปแย่งไปเคีงเอา สิ่งใดที่เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของจะเป็นของหาโทษไม่ได้สิ่งนั้นย่อมไม่มีในโลกตัวค่าของค่าก็ตามสมมติจริงตามสมมติแต่ไปหาตัวค่าแท้ๆไม่เจอทีนี้อะไรพาเป็นตัวค่าพญามกกะถือว่าพาาระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ ท่านองค์ในประเทศท่านก็ไม่ลงพระหารตายแล้วศูนย์ถูกนักเรียงดีบอกพระสายเดียบุตบอกว่าถ้าท่านท่านสาคัญว่าขันห้าเป็นพระรหัรหรือไม่อย่างนั้นท่านสาคัญว่าขันอื่นเป็นพระรหัรหรือไม่อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นทำไมท่านจึงยืนยันว่าพระรหัรตายแล้วศูนย์ท่านจงหาพระรหารดูสิเราจะให้เวลาท่านสักชั่วโมง หาพระรหันในกายดูหรูหาพระรหันในผมไม่เห็นนั่นก็เป็นแต่สักวะผมหาพระรหันในขนก็ไม่เห็นนั่นเป็นแต่สักว่าขนหาพระรหันในเล็บก็ไม่เห็นพระงหาพระรหันในฟันก็ไม่เห็นหาพระหันในหนังก็ไม่เห็นเพราะเป็นแต่สักว่าหนังหาพระรหันในเนื้อก็ไม่เห็นเป็นแต่สักว่าเนื้อ หามในธาตุน้ําดีเสเลนน้องเลือดเหงื่อมันค้นนาตาไปลมันําลายนำหมุนําไข่ข้อนำมูด ก, ก, ก็ไม่เห็นเห็นเป็นแต่สักว่าธาตุน้ําเสียแล้วหาพระหันในธาตุไฟไฟที่อังกายให้อบอุ่นไฟที่อังกายให้สุดโสมไฟที่อังกายให้กระวนกรวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยก็ไม่เจอซ ะ, ะหาพระรหันหาพระหันในธาตุลมลมพัดขึ้นบางบนลมหาวลมเลอลมอวกลมจามลมไอก็ไม่เจอ หาพระงงนในลมพัดลงเบื้องต่ําลมหายลมออกลมถ่ายอุจจาระออกดันอุจจาระออกลมถ่ายดันปัสสาวะออกก็ไม่เจอไม่เจอไม่เห็นไม่พบไม่ปะหาพระงัานในลมพัดขึ้นบนบนลมหาลมเลยลมอวกลมพัดลงเบื้องต่ําลมในท่อร่างนอกไส้ก็ไม่เจอสะหาพระงันในลมพัดไปตามตัวเช่นเอ็นก็เป็นศักประลมพัด ไปตามตัวเส้นเอ็นก็ไม่เจอซะ ah? หาพระหันในลมหายใจเข้าก <iente> ็ไม่ใช่พระรหันหาพระหันในลมหายใจออกก็ไม่เห็นพระรหันหาพระรหันในลมในท้องในไส้ก็ไม่เจอไม่เจอหาพระหันในธาตุลมไม่เห็นแล้วหาพระรหันในธาตุไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทม ไฟที่อาการใหกวนกวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยก็ไม่เห็นซะนแล้วแยกธาตุออกทีนี้ธาตุดินก็ว่าแล้วไว้นี่ธาตุน้ำก็ว่าแล้วนี่ปั่นออกแล้วธาตุไฟก็ว่าแล้วธาตุลมก็ว่าแล้วทีนี้หาพลังงนในรูปกายไม่เห็นธาตุสีน้ำไฟลมประชุมกันเป็นตายก็เรียกว่าลูกเป็นก้อนเป็นท่อนเลยขยายออกก็ ดินน้ำไฟลมและหาเราในธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่เจออีกเสียด้วยนี่ก็ดิน<ม>นี่ก็น้ำนี่ก็ไฟนี่ก็ลมเป็นค้อนเป็นท่อนประชุมกันเป็นกายมันไม่เจอไม่เจอเหตุนั่นจริงว่าเห็นแต่ดินน้ำไฟลมตัวตนเราเขาแท้แท้ไม่เห็นเป็นแต่เพียงสมมติใช่เหมือนสารานี่รื้อออกแล้วตลอดถึงเครื่องบนตลอดถึงอะไรอะไรจะเรียกปลาสาราอีกก็ไม่ได้อันเดียวกัน โคมันก็ดูเหมือนกับมือ ล, ลอกลอกหนังออกนะแล้วก็เชื้อนเนื้ออะไรออกที่เรียกว่าโคไม่มีก็บอกว่าเนื้อโคหนังโคขาโคไปซะอนี่อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนี่หาพระราหันไม่เห็นไม่ใช่พระรหันออืทีนี่หาในพระรหันในรูปขันไม่เห็นรูปขันในรูปประทัดก็เรียกรูปประธรรมก็เรียกรูปประโลกก็เรียกรูปอินทรีย์ก็เรียกอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ในรูปในในรูปชั่วข้าว รู ป, ประาธาต์ก็เรียกรูปประธรรมก็เรียกรูปประขันก็เรียกรูปประโลกก็เรียกเพราะเป็นโลกอันหนึ่งเพราะพยาคิเตร์นัตมาหลงโลกอันนี้เนี่ยถ้าหลงโลกอันนี้ อ, นอันอื่นก็หลงหมดนี่เรียกว่าโลกภายในโลกภายในแท้ๆคือใจนี่ยังเรียกโลกภายนอกที่นี้หาพลัรหันในเวทนาความเสวยสุขทุกขอ์อุเบกขาก็เป็นแต่สักว่าสุขทุกขอ์อุเบกขาซะ หาพระรหัสนในสัญญาความจําจำรูปจําเสียงจำกลิ่นจํารสจําโผฏฐัพพะจําธรรมารมก็เป็นแต่ศักว่าความจําหาพระรหัส์ในสังขารเท่นี่กรุงแต่งให้จิต ด, ดีบ้าขีอบ้ากลางบ้าหรือเฉยเฉยบ้าเฉยเฉยก็กลางก่อนก็เห็นเป็นแต่สักวิ์ไหวกิดแต่สังขารซะหาพระรหัส์ ในวิญญาณจักรุวิญญาณวิญญาณทางดวงตาอาศัยโรคกระทบในตาเกิดความโลขึ้นเรียกจักรุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความโลขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความโลขึ้นเรียกคานะวิญญาณอาศัยร่ากระทบกันเกิดความโลขึ้นเรียกชิวหาวิญญาณอาศัยผลสะพัะกระทบกายเกิดความโลขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความโลขึ้นเรียกมโนวิญญาณเกิดดับไปแล้วทีนี้ พระอรหันต์ก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบเมื่อท่านท่านเห็นไหมไม่เห็นพระเจ้าข้าถ้าไม่เห็นแล้วท่านพาท่านหาพระอรหันต์ในลูกขันนามขันไม่เห็นแล้วทําไมท่านจึงยืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ถ้ามีผู้ถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไปอยู่ที่ไหนท่านจะตอบเขายังไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่มเที่ยงดับไปแล้วครับผมเออถูกละถูกละเดี๋ยวนี้ก็ได้ทําพิเศษด้วยเพราะแต่ก่อนกับผมไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้กับผมรู้ตัวแล้วพญากะท่านก็เลยสําเร็จพระอทหารพร้อมกันเลยเขาไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ใ, ในโลกโลกภายในคือใจโลกภายนอกคือโลกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรส 佛陀ธรรมารมอดีตคืออะไรคือตาหูจมูกเลี้ยกายใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคื right อตาหูจมูกเลี้นงกายใจที่กําลังเป็นอยู่นี่พูดเป็นหกพูดเป็นห้าอดีตคืออะไรคือขันห้าที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือขันห้าที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือขันห้าที่กําลังเป็นอยู่พูดเป็นธาตุสี่ที่นี้ดินหน้าไฟลม อดีตคืออะไรคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ล้องไปแล้วอนาคตคือธาตุดินน้ำไฟลมที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือธาตุดินน้ำไฟลมที่กําลังเป็นอยู่อพูดเป็นสี่พูดเป็นสามที่นี่อดีตคืออะไรคือกายวิภาที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกายวิภาที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกายวิภาที่กําลังเป็นอยู่พูดเป็นสามพูดเป็นสองที่นี่ อดีตคืออะไรกายกับใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกายกับใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกายกับใจที่กําลังเป็นอยู่อพูดเป็นหนึ่งที่นี่อดีตคืออะไรคือใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือใจที่กําลังเป็นอยู่ะทั้งหลายหลงอันนี้วนเวียนกันอยู่ยึดว่าตัวกูของกูล่วงไปแล้วกัตัวกูของกูยังไม่มาถึงกับตัวกูของกูยังพูดอยู่เยอะนี่กับตัวกูของกูใช่ไหม ขันไปขันมาก็เหวี่ยวมาเอาไปกินเลยถูกไหมเหวี่ยวคืออะไรคือความตายคือกิเลสใช่ไหมอูกู ก, กูกูอย่างนี้นเหี่ยวมาเอาไปกินเลยเหวี่ยวคืออะไรคือกิเลสและความตายใช่ไหม น, นัคือความหลงใช่ไหมเหวี่ยวก็คือความหลงนั่งมัดขัดแล้วเนี่ยนะมันปวดแล้วเนมัน <laughs> มันไม่ใช่ของเรามันก็ปวดสิ ถ้าไม่มีใครก็เถียงกันไม่ได้ตายหมดดูดูเอาอะไรมาเถียงกันเนี่ยถูกไหมเนี่ยพระวิญญาณไม่ได้อยู่ในที่นี่นั่นนั่งนั่นนั่นผู้สร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วพระบรมศาสดากดเทศบทเดียวเท่านั้นพระพาหิยะนี่มนพระบรมศาสดาเทศให้เก้าฟังด้วยเออเราก็กำลังวินทบาทอยู่เดี๋ยนี่ไม่สมควร บางทีพระบรมศาสีราสิ้นลมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับในที่พูดนี่มันหมายว่าพระบรมศาสีาไม่ทราบพระบรมศาสีาทราบแล้วเที่ยเก้าปารบอย่างนี้ก็เพื่อให้พระพิชุสุสงทั้งหลายได้ยินด้วยเพราะพระภิชุสุอ์ตามหลังพระองค์อยู่ถ้าไม่พูดก็ไม่มีคําที่จะพูดไม่ได้ห ว, วังว่าหาโอบายสอนพระองค์เลยหวังว่าพระองค์รู้เท่าแล้วเดี๋ยวนี้เก้า จะได้ทำชั้นไหนพระองค์ก็คงรู้แล้วเก้าจะถามอะไรพระองค์ก็คงรู้แล้วในวันนี้คงไปผ่านพระองค์อยู่แต่เข้าตรูแล้วพระองค์คงจะรู้จักว่าเก้าจะมาถามในาบินธบาตแล้วในที่พูดนี่ก็พูดไปตามแถวตามสายของมันเฉยๆบางทีเก้าก็จะตายวันนี้ก็อาจเป็นได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเน อ, อถ้าเธอพูดอย่างนั้น เป็นรักษว่ารู้เป็นรักษว่าเห็นครับพอแล้วแตกฉานในปฏิสัมพันธ์สี่อีกเทียด้วยคําว่าเป็นรักว่ารู้ว่าเห็นคือไม่ยึดผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลคือพิจารณาลงสู่อนัตตาก็เลยวางอัตวาทุปาทานถือมันว่าทะว่าตนว่าตัวอยู่ณที่นั้นเองแต่ฉานในปฏิสัมพันธ์สี่ด้วยเพราะเหตุใดท่านจึงเป็นอย่างนั้น เพราะท่านสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วในชาติพระเจ้ากัตตปะขึ้นไปผลักบันไดทิ้งภูเขาท่านก็หมู่ของท่านไปเป็นพระรหารหมดก็มีแล้วก็ไปเป็นพระนาคามีก็มีส่วนท่านไปพโมโลกลงจากพโมโลกมาแล้วก็มาพบพระบรมศาสตาเพีงเดียวก็เลยสําเร็จพภารันเหตุฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจริงไม่เสีย ถ้าไม่สามารถสำเร็จพระหันในชาตินี้ก็จะถึงพระอนาคามีถ้าไม่ถึงพระอนาคามีในชาตินี้ก็จะด้วยอํานาจอั น, นสงศีลอั น, นสงสมาธิก็จะไปเกิดเทวโลกพอเจอพระพุทธเจ้าองค์หน้ามาบาทคาถาเดียวก็จะสำเร็จพลังหันการปฏิบัติไม่เสียเลยไม่ได้น้อยก็ได้มาก พระปรมศาสัตว์กราพวกเราอยู่เรื่อยๆเธอทั้งหลายอย่าไปนอนใจเน้อถ้ายังไม่พ้นจากโรคโกรธหลงแล้วเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระปรมศาสศน า, ย, ายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารอย่าสําคัญตนว่าฉลาดเลยอย่าสําคัญตนต้อเป็นผู้มีลาภมียศเลยเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังกระเขยายู่มดปัญหาใช่ไหม ยังไม่ทันมียาว่าพ้นทุกโรบก็ยังไม่หมดโกรธก็ยังไม่หลงหมดหลงก็ยังไม่ชนะความหลงของตนอยาไปนอนใจเน้อดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็ระลึกถึงทำได้เพียงนั้นพระบรมศาลาเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็ระลึกถึงทำได้เพียงนั้นคือทาเพื่อจะออก ไม่ใคยทําเพื่อจะอยู่ในวัฏจัสงสารบุคคลผู้ใดไม่เสียดายล่วงละเมิดสินห้าไม่เสียดายล่วงละเมิดอบายามุปไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงพันฑ์ไม่เสียดายอยากจะถือเลืกดียามดีไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายล้ำเมาค่าขายยาพิษ ท่านผู้ใดไม่ชฉไดยอยากจะถือศาสตราอื่นในที่ว่ามานี่ผู้นั้นถึงพระโสดาบันแล้วเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วต่อแต่นั้นท่านก็กจะถึงสักทาคามีอนาคามีอรหันเป็นลำดับไปแลยเพราะย่าเข้าสู่โลกุตรละแล้วถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันก็อย่าเข้าใจว่าตนอยู่ในพรหมจรรย์เบื้องต้นเทิน จะภาวานาตลอดรุ่งตลอดค่ำก็ตามจะเดินยืนเดินนั่งนอนพูดน้ำไหลไฟดับก็ตามถ้าเสียดายล่วงละเมิดสินห้าเสียดายอยากจะล่วงอบายมุกดังที่ว่ามาแล้วนี่ทุกประการก็ไม่ใช่พระโสดาบันเพราะยังอยู่ในา น, าน้ำไหลวนคนหลใจอยู่ทีนี้ภูมิของพระานาคามีถ้แค่ยังมมกามเมวตตก ความติในทางกามทำให้กิเลสทวีขึ้นความติในทางกาง ม, มาลมในระหว่างเพศต่อเพศและกิเลสก็เกิดขึ้นความติในทางพยาบาทมึงเถอะอกูไม่ได้มึงวิธีนั่นกูจะเอามึงวิธีนี้ความติในทางเบียดเบียนก็เหมือนกันถ้าไม่มีในผู้ใดผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้ว ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นใครจะให้คะแนนเป็นพระอนาคามีก็อย่าเป็นบ้าไปรับเราไม่ใช่บ้ายอถ้าท่านเพือใดยึดถือในโลกทั้งปวงโลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกไกอยู่ยังไม่พ้นจากโรคโวดหลงเลยเขาจะมายกยอให้เป็นพระหันกอยะก็อย่าเป็นบ้ายอก็อย่าไปรับเน๋ยวจะพาให้ตนนอนใจ จริงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวจารู้ทั้งนั้นใครจะรู้ให้ไม่ได้ให้พรสัพโรควมินิมุตโตสัพพันตาภวัตชิตโตสัพเวรามติกันตูนิพุโตจตวังภวะให้พรจนถึงพรยผพานสัพพีทิโยยวัตยันตวสั พ, พโรโคินัสสตสตุมาเตภวัตจวนตรายูสุขีทีคายยโกภวะอภิวา ทศนิษนิทานิจังวุทฐาปิชาเยโนโอจัตตาโรโอธมาวัันติยุวนโนสุขขังพระอยงจะเทศไม่ให้ถูกของเก่ามันไม่ได้เพราะเอาใจเทศมันก็ถูกของเก่าสิจะเทศอันใหม่ไม่ไม่ได้ก็เพราะใจของเก่าก็เอาใจเทศจะไม่ให้ถูกเทศของเก่ามันก็เทศไม่ได้ผู้ฟังจะไม่ให้ฟังใจมันก็ฟังไม่ได้ผู้ฟังก็เอาใจฟังผู้เทศก็เอาใจเทศก็ของเก่านั่นเองนะ พุทธบอไม่พามาโลกโกรธหลงธรรมโมสองไม้ซึ่งไม่โรคไม่โกรธไม่หลงสังโฆปฏิบัติเพื่อไม่โลคไม่โกรธไม่หลงก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธธรรสงงไม่หลงมาท่องเที่ยวในวัฏฏะสองสารอีกก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธเมพุทธธรรสองไม่อานุภาพแล้วโลกทั้งปวงอยู่ทั้งว่นไม่มีประมาณก็มีความหมายอันเดียวกันแลลึกได้ ไ, ไ, life, ไม ه, ไ mm ่เล็กได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นท่านเพราะพุทธประธรรมประสงค์อยู่ทั้งว่นไม่มีประมาณเพื่อบรรทุกในวัทฏะสองสารด้วยด่วน ในปัจจุบ e ันในชาตินี้เถิดเลือกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอขมาโทษต่อพุทธธรรมสง์อยู่ทุกวันไม่มีประมาตเพื่อบรรลุในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดเลอกได้มเลิกได้ก็ดีขอมอบกายถวายชีวิตต่อพุทธธรรมสง์อยู่ทุกวันไม่มีประมาตเพื่อบรรลุในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดก็มีก็มีความอมาเดียวกันเลอกได้มเลิกได้ก็ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพพานสมบัติมีเท่าใดทูนถวายสกุลกายวายาจใจ เป็นสมบัติอันนั้นบูชาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทัท้งว่ามันมีประมาณเมื่อพ้นทุกนานวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถอะก็มีความหมายอันเดียวกันพุทโธธโมสังโฆทรงพระคุณไม่มีประมาณก็มีความหมายอันเดียวกันแป่พุทโทธโลงมาเป็นหนึ่งในคิดในใจพุทธธรรมสงรวมลงมาเป็นหนึ่งในจิตใจในปัจจุบันในคิตปัจจุบนันใธรรมอยู่ทุกเมื่อถืนในใกล้มื่อใกล้ก็ดีพุทโทธความครอบรวมพระใจเข้าออกพุทธทธรรมสงมีคุณ มีพระเดชพระคนณความกขาลมหายใจเขาออกหาประมาณไม่ได้ลมหายใจเขาออกหาประมาณไม่ได้หรือในไใจโลกธาตุหาประมาณไม่ได้ออกุลของพุทธธรรมสงฆ์ก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันยนต์พุทธธรรมสงฆ์ลงมาเป็นหนึ่งก็หาที่วางไม่ได้เพราะใหญ่โตโหงฐานขยายออกเขาไม่มีที่จะขยายขับแคบเสียแล้วในไตโลกธาตุหรือในใจใจจักรวาลเป็นพระผาหาอันันตะกุลอันไม่เกิดไม่ดับ ไม่สูนไปไหนมีอย <departure> ู่ทุกการทุกเวลาด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รูธแล้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับพูทเชื่อแล้ไม่เชื่อคุณของพระพุทธธรรมประสงค์มีอยู่ทุกการเมื่อสังขารทั้งหลายมีอยู่ทุกการคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ก็มีอยู่ทุกการเมื่อทํามันไม่เกิดไม่ดับมีอยู่ทุกการคุณของพุทธธรรมสง์อันไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกการไปก็ไปกับพุทธธรรมสง์อยู่ก็อยู่กับพุทธธรรมสง์นอนก็หลับกับพุทธธรรมสงกินลมฟ้าอย่างตามข้อไปพุทธมรรค อย่างสูงก็เข้าสู่พระนิพพานพุทธธรรมสงฆ์มีกิเลสอันใดก็ข อ, ขอให้ข้าพระองค์อย่างนั้นเถิดพุทธธรรมสง์เข้าสู่พระนิพพานหาประมาณไม่ได้ขอใข้าพระเจ้าเข้าสู่พระนิพพานตามพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อเถิดคำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนในพุทธศาสนาหมดเป็นเมืองขึ้นของพุทธธรรมสง์หมดภาวนาพุทธธรรมสง์แล้วก็สบายใจคําว่าพุทโธ ค, คําเดียวก็มีสัง ก็มีธรรมโมทรงอยู่ที่นั้นก็มีสังโฆอยู่ที่นั้นเหมือนเราเห็นหน้าเห็นตากันเคยเห็นหน้ากันอยู่อ้ที่แค่ก็เห็นตาเห็นจมูกเห็นแก้มเหมือนกันแต่เราพูดอักษรยอ่อเมื่อเราพูดพารพกอักษรยอ่อเราก็ไม่สงสัยว่าธรรมสงอยู่ที่ไหนก็อยู่แห่เงเดียวกันเมื่อเราต้องการจะบริกรรมทางพุทธธรรมสง์เราก็ไม่สงสัยจะบฏิกรรมแต่พุทโธก็ถูกธรรมโมสังโฆอยู่ในตัวจะบฏิกรรมแต่สังโฆก็ถูก ธรรมโพุทธโธอยู่ในตัวถ้าจะบริกรรมตั้งแต่ธรรมโมก็ถูกสังโฆและพุทธโธอยู่ในตัวเพราะเป็นเชือสกสามเกลียวแห่งเดียวกันอยู่ที่ใจพุทธโธใจธรมโมใจสังโฆใจก็ถูกพุทธธรรสงใจก็ถูกพุทธธมสงเป็นมหาทรัพย์ก็ถูกพุทธธรรมสงเหนือโลกก็ถูกมันก็ขึ้นอยู่กับความเลือมใสของเราเราโอนไปทางไหนก็ได้หมด พระพุทธโธธรมสังโฆพระพุทธธรรมสงเหนือโลกแล้วทุกยุคทุกสมัยใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ตามพุทธธรรมสงฆ์ก็เหนือโลกูทุกทุกสมัยเสียแล้วเหมือนฟ้าใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ตามอากาศมันก็สูงอยู่อากาศกลางหนาวคำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาหมดชิมทิศจะมีขีดล้านก็ตามก็เป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือ อยู่ในตัวไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อเป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนเรียกว่าอริยสัจจังเรียกว่าอริยสัจจะคุณน่าฟน้องครองเบอรบางต่างหลายโงสู่พรมหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใด้คําสอนใดๆข้อไหนโงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉั้นนั้นไม่พูดอีกเขาจริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลยเอ้า พระพุทธศาสนาสอนบริบูรณ์แล้วถ้ามนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพรสมบั ต, มมบตินิพพานสมบัติ ด, ด้วยผู้ใดต้องการอยากถึงพระโสดาบันก็ไม่ลําบากไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดศีลหา้าไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดอรจัยจมูกไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่โยงคงกับพันไม่ใช่ได้อยากจะถือศาลาอื่นเมื่อไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้แล้ว จิต ก, ก็เข้าถึงพระสวสดาบัลเท่านั้นเมื่อจิตถึงพระสวสดาบาลแล้วก็เปิดผลทางไปจนถึงสกทาคามมญนาคามีอันหันอยู่ในตัวจะเดินช้าหรือเร็วก็ไม่แวะซ้ายแวะขวาและไม่ถอยหลังอีกซะด้วยเพราะไม่สงสัยสักยติติไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธธรรมประสงค์วิคีคิดหาก็ไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ สีระปตะปรามาก็ไม่รูปครําพระพุทธธรรมพระพุทธธรม ร, ธธรมพระสง์เลยเห็นแจ้งสว่างในจิตในใจด้วยพระพระศรัทธาและพระสติเป็นหัวหน้ามีกำลังศรัทธาที่เกี่ยวกับปัญญามีสติพร้อมมูลกันเป็นศรัทธาที่มีปัญญาทัพยุตแข็งแกร่งไม่สงสัยไปทางใดเลยพระพริกรนาแยบคายแล้ว ต้นไม้ต้นหมูคัดพักคัดพวกของชาวโลกตั้งขึ้นมามองดูคําสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดอ้าชาวโลกมีศินธรรมบริบูรณทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีตำรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้ากุญแจก็ไม่ต้องมีเวียนยามก็ไม่ต้องมีโนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวียนอยู่รอบข้า ถ้าชาวโลกไม่มีขีณาบริบรณแล้วไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทรงอยู่ที่ใจแล้วคนไ ม, กม้ก้นหมูก้นพักค้นพวกจะตั้งขึ้นขีดและล้นานวาตรามันก็ไม่อยู่ใช่หรือไม่นะทําไมเราจึงอาบน้ําก่อพระร่างกายมันสกปรปกทําไมเราจึงไปรักษาพยาบาลตัวเพราะมันมีโรคทําไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะโรคโกดหลงมี กิเลสมีจะปฏิเสธกิเลสไม่ได้เมื่อปฏิเสธกิเลสไม่ได้ก็ปฏิเสธพุทธธรรมสงฆ์และทานวัตศีรวัตปาอนาวัตไม่ได้ปฏิเสธเครื่องบรรเทากิเลสให้เบาบางเลยเห่อแทงหายไปไม่ได้ถ้าเกิดแกเก็บตายไม่อยู่ถาบใดการปฏิบัติเพื่อไม่อยากมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายเพราะมันเป็นทุกข์ก็ปฏิเสธไม่ได้ก็มีในคําสอนพุทธศา ส, สนะเท่านั้นคําสอนอื่นๆ สูมสี่สูมห้าเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่เป็นบาปบัญญัติก็เป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญบัญญัติก็เป็นบาปก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้คําสอนที่สอนถึงโลกุตระก็มีพระพุทธศาสนาสิ่งเดียวตอนนั้นและที่อื่นอย่ามาเอ่ยเลยไม่มีพูดตามเป็นจริงขอทํามันเป็นจริงพระพุทธศาสนาเป็นของสูงก็ให้คะแนนเป็นของสูง จึงไม่ลำเอียงของดีเราจะมาตีค่ากับของชั่วชั่วเราก็ลำเอียงเพศพลอยเพศพอยเราจะมาตีค่ากับดินกับขี่หินมันก็ไม่ถูกวัดที่อื่นอ า, อาจเอื้อมกับพระพุทธศาสานามันก็คล้ายๆกับอึ่งอ่างกับบวชทองตัวขึ้นท้องแต่ตายคาที่ นี่เราพูดแต่พวกเราพูดไปทั่วเดี๋ยวเขาก็โกรธให้เราพูดแต่เฉพาะพวกเราผู้นักเผยพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนขี้โร่ไม่ใช่คนบารมีต่ำต้อยคนบารมีแก่กล้ามาแล้วสร้างบารมีมามากแล้วพูดใช่ไม่เรียบใส่พุทธศาสนาก็ตรงกันข้ามเป็นเพียงว่านายกรนายขอนายกอนางกอนางขอนางกอนางอ เขาถือศาสนาอะไรเขาถือเขาออกจากพุดไปแล้วก็ถ้ากลับว่าเรารู้จักขนาดจิตเขาอยู่ระดับใดไม่ต้องนั่งภาวนานรับตาดูก็เห็นแล้วพูดน้อยไปพออธิบายพูดหลายเขาเป็นโทษสิ่งเหล่านี้อ่านแล้วอุบรู้แล้วก็อุบสิ่งนี้ไม่ควรพูดทั่วไปภัยภัยภัยใัยอ่านแล้วอุบรู้แล้วก็อุบ ทำไมจึงไ ม, ม่มีมมมแมลงผู้มแมลงพึ่งน้อยนักทำไ ม, มแมลงวันจึงมีมากเขาเหล่านั้นมีอาหารต่าง ก, กันใช่ไหมนิยมต่าง ก, กันใช่ไหมนั่นทำไมจึงมีผู้ถือว่าพุทธศาสนาน้อยนักก็อันเดียวกับกบมแมลงผู้มแมลงพึ่งนั่นเองเท่านั้นพอแล้วเขาก็ว่าประชาธิปไตยเขาใช่ไหมอแมลงวัน ไม่แรงคู่ไม่แรงพึ่งเขาเพราว่าประชาธิปไตยเขาเขาเขาบอกว่าสังคมนิยมใครอยู่ระดับใดก็เอาระดับนั้นมาอ้าพวกที่อยู่ระดับพุทธศาสนาก็เอาพุทธศาสนามาแต่พวกนี้สร้างบาเะมีมาแกะก้าแล้วนักธิใดๆก็ตามน้องหนูปูปีกตลอดถึงยงลิ้นมันก็จะไปพระนิพพานหมดแต่ก็ต้องมาเลื่มใสพระพุทธศาสนาเสียก่อน มาเป็นมนุษย์เรื่องสยพุทธศาสนาเสียก่อนเป็นมนุษย์แล้ว ย, ยังไม่เรื่องสายพุทธศาสนาก็ยังถึงพระโสดาบันไม่ได้พระโสดาบันไม่มีในรัฐที่อื่นเลยมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นสักคาถามีราค า, ม, า, คามีพระรอรหันต์ก็เหมือนกันพระสมณะที่พระเจ้าปฏิเสธแล้วในมหาพรินิพพานสูตรไม่ได้พูดไม่ได้พูดข้าวๆตัวพูดตามเป็นจริงของธรรมถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็เป็นสามารถรู้ทำได้ถ้าไม่มีอยู่ก่อนแล้วเราจึงสามารถรู้ทำได้เราจึงเคารพทำพระบรมศาลา พระบามศาสลามาตัทรู้แต่ละยุคแต่ละยุ ค, แ ต, ยคแต่ละยุคก็เป็นคํำสอนอันเดียวกันแล้วก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้นเขาโคนั้นก็ถึงอย่างนั้นก็หลายล้า น, หล า, ห, ลาลานหลายหลายล้านหลายหลายล้านอยู่ส่วนที่เขาขนโคนะก็มอบไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์หลังอยู่ในตัวผู้มาก่อนก็ไปก่อนไม่ขาดระยะระยะพราถือศาสนาอื่น ก็ไม่ขัดระยะระยะระยะทุกยุกทุกสมัยแต่ผลสุดท้ายที่จะเข้าสู่พระานก็ต้องมาเริ่มใสพระพุทธศาสนาเสียก่อนเช่นโมฆลลาสารีบุตรหนีจากสนชัยนาตบุตรมาเริ่มใสศาสนาพุธทธก่อนจึงถึงพระโสดาบันจึงถึงสกคาคามีนาคามีพระานเป็นลาดับไป